นึกน้อยเขาสอยเท่าที่ตายมานั่งฟังร่ำพีภาษาตัดแตกบุ๋มือนหัวกวามาถึงเขาไปเขาตัวพวกกวางขางเขาเลิกเกียรเตียมตัวตายท้านห้ามเสมอเนี่ยหมดเวลาแล้วเตียมตัวตายก็ตั้งใจพภาวนาตายก็มีข้อหมายอเดียวกันแต่ส่วนจิตใจเพื่อยอมตายนี่อยากใหู้ช่วสมประสงค์ส่วนร่างกายตายไปซะก็บว่า ดินไปเป็นินน้ํนน้ายไปไฟนร่มไปเป็ร ม, ม้ะมาได้วา่าส่วนจิตใจวะยอมส่วนจิจตจใจต้อย่นดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องย่นดี ต, นดต่อมรรคนในภาชน พ, พระองค์เจ้าส่วนจิตใจชีวีกิเลสทาเป็นฝาเป็นเถื่อนแขแถรนี่ก็ตามจิตใจส้ายังทั้งบุนอยู่เลือดทุกยที่บุษราบทพระธรรพระสงฆ์อยู่เือ ทีมีเกล็ดหนาพันง่ายงามมากเขาเป็นหินในท่าในสมุงมหาสมุทรร้รอยปวดมหาสมุทรตะวานยิตใจสยัมเสรพระนิพพาไนไ้ตั้งเที่ยวไยอมตายตาหุ่นยอมตายไม่ใช่ได้แต่ชีวาเพื่อรักษาอิสระขณะไทยสมานสามัคคีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้ควรคิดจำนงจงใจเป็นไทยจนสิ้นสิ้นชี ว, วดินฟ้าน หวังศีรษะวามหลงเจ้าของข่มหลงไม่เท่าไรพญานามศีรนะความหลงเ ม, มื่อเกิดหน้าพระคณะพุทธก็เมื่อเกิดเพื่อที่ทำรลายวามหลงเจ้าของเมื่อมาเกิดทรงเสริมความหลงเจ้าของบวชเข้ามาเพื่อที่ทํร้ายข่มหลงเจ้าของเพื่อที่ทำร้ายข่มหลอความโกธความหลงเจ้าของทำนั้นเบอบางลงเรื่อเหินแหงหายไปไมีง้านเท่านั้น งานของพระพุทธศาสนามีเท่านั้นงานของฆร า, าวาสก็ไม่เท่านั้นใครทาอาเอ่ีงชีวิตโดยท่าที่ชอบฆร า, าวาสแต่งานพริวัตื่อคนทุกข์ในวัดสงสารกันเดียวกันเพราะฆร า, าวาสสามาร ถ, ถราาทัาา้งพระโสดาบันพระเจ้าค่าามาดคาม่อะไรคือกันเนีพระันเนีคือกันเนี่ย า, าวาสก็ได้บันทิตควฆ า, าวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนบุตตะบันทิตาปุนยายะกาบันทิตนั่นแหละเป็นคนหัวหน้า นักธ e, like so e ีปาราปรนายกาคนพาไมาใช่คนหัวหน้าจ mm ิตใจแค่มันเป็นภาพจะเอามันเป็นหัวหน้าจิตใจมันบ่เหลือใสในพระคุณพระธรรมประสงค์อย่าเอาเป็นหัวหน้าจิตใจเฮากระได้ว่านิดจิตใจแค่มันเป็นบันทิต่่งเสริมมันคือมันเหลือใสในพระคุณพระธรรมประสงค์ในส่งเสริมมันจิตใจเฮานี่แหละจิตใจ้พื่นกับเพื่อของเพื่นของฉันจิตใจของใครของมัน คำสอนใดๆอาจารโลกธาตุมันโบนื้วคำสอนะพุทธศาสนาไปได้เป็นเ่ื่อขืนคำสอนอนุทธศาสนาหัดยึ่นในตัวเจ้าซีรลูหรือบ่าลู่เาบเป็นปัญหาเจ้าทีโอหังมันโข้ารัสักเร่งไหนกระตามมันบกเป็นเป็นจริงตามเจ้าเเจ้าของกินเหล่าเจ้าของเมาต่างหากเจ้างโต่างหากคือเจ้ามงกก็คือว่าเป็นเจ้าเป็นเมืเ่อขืห้องพระสง์มสมรู้โดยว่รู้ตัวัดตะแดงเม่งตัวน้อย ในไตโกรกภทาเเป็นเมื่อข้นของพระคุณพระท่าประสงค์แน่ตัวเพราะจะไปจบสุตไทยกันในพระนิพพานนี่หอของฉันว่านั่นพระนิพพานในาศาสตสนะอื่นมันไมีมันไม่ได้าศาส น, น, นรพุทธเช่นโมฆะลาสาริวตก็ย่อมมาเข้ารมนับถือศาสนาพุธเท่าสกันจะครได้ถึงพระนิพพานนัน่นตัวย่างไม่ได้เออนำหอยหน้องอมึงบางต่างๆไลงสู่มหาสมุทรเลโดยไม่รู้ตัวชันใด คำสอนอะไรก็อะไรตรงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รูดด้ตัวฉันนั่นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งจริงคำที่มันจริงก็ยิ่งพูดก็ยิ่งจริงคำที่มันมันไม่จริงพูดวันยังค่ำมันก็เท็จวันยังค่านั่นเกลือที่มันเข็มจิบวันยังค่าก็เค็มวันยังค่ำเทื่องในทางสูงเข็มเท็จจะม่กี่ล้ล้าน ก็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดในใจโลกธาตก็เป็นเัืงขึ้นคําสอนของพุทธศาสน า, สาโดยไม่รู้ตัวทั้นงนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะเห็นตามเป็นจริงด้วยพิจารณาตามเป็นจริงด้วยพูดตามเป็นจริงด้วยจึงไม่ลําเอียงจึงเป็นมุทิตาความพออ ย, ย่างดีเมื่อผู้อื่นได้ดีพราพูดพรทธรรมประสงค์เป็นของดีวิเศษก็ต้องอนุโมธนาสีสนั่งนะ พุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่จิตใจแต่ละท่านแต่ละคนใครเป็นผู้เคารพพุทธธรรมสงฆ์ก็คือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนพุทโธแปลว่าเคารพจิตใจที่ละชั่วทำดีธโมทรงไหว้ซึ่งละชั่วทำดีสังโฆปฏิบัติเพื่อละชั่วทำดีตกลงพุทโธธโมสังโฆก็กลมกลืนกันอยู่ที่ดวงใจนะไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากไกาไล่ความโง่ก็ต้องไล่ออกจากไกา ไล่มิดชาติสิ่ก็ต้องไล่ออกจากไกลจะไปไล่ดินฝ้าอากาศมันไม่ออกต่ําก็คือใจเป็นผู้ต่ําสูงก็คือใจเป็นผู้สูงสูงไปทางดีก็เจริญสูงไปทางขั่วก็ไม่เจริญกรรมแล้วผลของกรรมมันมีอยู่มันไม่เหมือนคดีดําคดีแดงในโรงในศารคดีดำในคดีแดงในโรวงในศารหนึ่ง มันจบกเกษียณเป็นกรรมแล้วผมขอกรรมมันไม่จบกเกษียณเป็นถ้าทําดีก็ให้ผลไปจนตราบเท่าเข้าสูนย์เข้ามนถ้าทําชั่วให้ผลไปตราบเท่าเข้าสูนย์พนานนั่นเช่นพระโมคคลาเป็นต้นมันก็ตามไปจนฆ่าชาติเข้าสู่ย์เข้ามานเคยได้ทรมานมารดาทาท่าทําทางจะเอามารดาไปโผล่แต่ไม่ได้โปผล่ดรอกกรรมมันนั่ะตามเขาท่านมา เกิดพบใดฆ่าใดก็ถูกเขาฆ่าทุกชาติทุกพบจนเป็นพระหันคือยังถูกเขาฆ่าแต่เขาฆ่าในชาติพระรหันเนี่ยท่านไม่ยอมตายต่อเขาเนี่ยเพราะชีวิตของท่านเพราะจิตใจของท่านไม่อยู่ในคันห้าเสแล้วท่านทิ้งขันห้าแล้วมันก็ไปพบแต่เรือนร้างเขาฆ่ากับว่ากางเกงเนี่ยมันเก่ามันขาดแล้วเขาทิ้งแล้วจะไปโกรธให้เขาแล้วเอากางเกงเขาไปเขาไฟทิ้งเขาก็ไม่ใช่ได้ก็เขาทิ้งแล้วนแต่ตัวเจ้าของของเขาเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วเขทิ้งแล้วนะฉันใดก็ดี ขั้นห้าขององค์ท่านมันไม่มีกิเลสสิงท์นี่เป็นเพียงท่านอาศัยอยู่ชัว่วคราวเฉยแต่พวกเราเท่าให้พ้นทุกความแก่เก็บตายตามมามันก็ได้คาหนังคาเขาเนออันนั้นไม่ได้ท่านการนังคาเขาเสียแล้วแก่ก็แก่เฉยๆตามธรรมชาติเก็บก็เก็บเฉยๆตายก็ตายเฉยๆตามธรรมชาติไม่มีกิเลสที่จ้องลองรับอยู่เพราะกิเลสมันหมดไปแล้ว แก่พวกเราน่ะมันตามมามันก็ได้ทางหนังท้งเขาด้วยได้ทางตัวนโทษด้วยในมหาภาทยาลัพานสูตรสุภธะผู้บวชต่อแก่ในสําเ็จพระรหัสนในวันนั้นพระกาทูนพระบรมชาติยดา ศาสนาอื่นๆถ้าเขาไม่ปรบมาทในยัญยะวิธีของเขาเขาจะพ้นจากชาติชร า, ชาพยาธิบ้างหรือไม่เขาจะฆ่าและจะเป็นสมณะที่สีได้หรือไม่เขาจะฆ่าถ้าเราไม่ชาติาอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมชุปเิปปโนผู้ช่วยยัญญะสามีจิไม่มีในศาสนาอื่นๆเลยถ้ามีก็มีในศาสนาพุทธท่านั้นแหละ พระพุทธเจ้าออกไหนก็เหมือนกั น, นเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธศาสนาจะรับที่อื่นๆเป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่ยอมตนมาเคารพพระพุทธศาสนาแล้วมรรคผลนิพพานก็ไม่รู้แจ้งแม้พระโสะดาบันก็ไม่มีทศ ม, มรรคยานเรื่องต้นของพระพุทธศาสนาก็คือสุภเจปโนเท่านั้น เมื่อถึงพระสุภัตโธอุชุ ย, ยะรักามันก็เปิดไปเองนะไม่พูดอีกก็จริงเองพระพุทธเจ้าจะล่วงไปสี่ล้านสีโกฏพระองค์ก็าตามจังลาอีกสี่ล้านสีโกฏพระองค์ก็าตามก็เป็นคําสอนอันเก่าไม่ใช่คําสอนอันใหม่เอสักตโมสนนันตโรพระธรรมเป็นของเก่าเทวินัยเขาเป็นของเก่าศิ่งสมาธิปัญญาก็เป็นของเก่า ถึงว่าพุเพสุ อ, อนันตสุเตสุธรรมีสุจักขงุตตปาธิญาณุพุตตปาธิปัญญาพุตตปาธิวิชาพุตตปาธิอาโลโกสว่างเหมือนไฟโฟรงแล้วเป็นธรรมันเก่าเราเห็นอยู่เรามีมันมีอยู่แล้วพระพุมศาสราที่ว่าเป็นสังฆุไม่ใช่ว่าเป็นมคุฎยืนยันยืนยันในสิ่งที่เป็นจริงไม่เป็นไม่เป็นอุปทานพระพุทมศาสรายืนยันในสิ่งที่เป็นจริงเป็นโหนเอกในโลก เธอทําอย่างนั้นเธอจะได้รับผลอย่างนั้นเธอทําอย่างนี้เธอจะได้รับผลอย่างนี้นันน่นแหละขุนเอกขุนเอกคือใครก็คือพระรพธรรมจักรขุน ห, หลอกกินขนมเขาเนี่ยมันไม่อดดอกตัววันเนี่ขุนเอกคือพระธทธเจ้าและพระรหัตถ์ท้งหลายสุปเจแปโนเขาจัดเข้าในหุนเอกเหมือนกันพราะท่านไม่ค่อยแนะนะนําให้คนอื่นไปทางผิด ชุกจะพนโนนับจับพระสสดาบาลไปไม่ได้แนะนำให้คนอื่นไปทางผิดละจำพวนั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้ชุกเอาเผากินแต่เมื่อเจอกล้างมาก็ไปไม่รอดยินดีในศาสตร์ศาสนชนะความยินดีทั้งปวงในใตโลกธาตุนั่ไม่มีคุณค่าสูงไม่มีคุณค่าอยู่ในตัวสมมุติว่ากางเกง ราคาเท่ากันก็ผ้ากีวอเอามาวางไว้ขวางทางไว้เองเอามาวางที่นี้เอามาวางมาทีนี้ที่นี่ชาวพูดไปจะไปเหยียบอันไหนจะไปใกล้อันไหนถ้าไม่มีการจําเป็นจริงถ้าไม่มีทางไปก็ต้องไปเหยียบทางเก่งแต่ราคาเท่ากันราคาทางโลกเท่ากันก็ต่าแต่คุณวุฒิอันนี้สูงนี่ของพระพุทธศาสนาอา๋อสล า, าของพระพุทธศาสนานี่ล่ะอ๋อ ขับสาลาของประชาชนของรัฐบาลราคาเท่ากันใชนีหมาราอันไหนจะมีคุณค่าก็าสาราพุทธสิถ้าถือศาสนาพุทธก็แลี้ยงแต่ไม่ถือหนักถ้าเขารบก็ตกเป็นอย่างนั้นเอารูปจุกตาราคาเท่ากันกับรูปพระพุทธรูปถ้าผู้ถือศาสนาพุทธให้เอาที่หนึ่งช้าอันหนึ่ง จะเอาอันไหนจริงก็ต้องเอารูปยุกะตาจิิงใช่ไหมนั้น <c oughs> ก็ไมนได้แต่ผู้ถือศาสไม่ถือาศาสนาพุทธผู้ไม่เคารพศาสศาสนาพุทธคืออะไรว่าเขาสร้างมาละรมียางต่ำต้อยอยู่ถูกไหมนั่นะไม่พูดห ย, ย, ยาดหยาดพูดตามมันกกงนะนั่น่พืรเรื่องไสกพูดธศาสรนะ เรามองดูโชมหน้ามันก็ผิดกันถูกไหมเออแ่ <c oughs> นั้นพอแล้วลงไปพวกหนึ่งแล้วนะมากกว่านี้เราไปเจอพระสวดบัตรพระสดาวันคู่หนึ่งวันนี้ทั้งหัวทั้งเมียด้วยแต่เราไม่เคยให้คะแนในใครเป็นพระสดดาวันต่อหน้าเลยแต่เรา มายุแปดชิปปีแล้วพันช้าก็สี่ิกว่าเล้วะสี่ิกว่ากว่าเลยอสี่ิ้าสี่ชิปหกที่สิบเจ็กจะเข้าห้าศูนย์ะ 46, 47, ละถ้าเราบวชภายแทสร้างคาราวาแต่บวชตามธรรมดาเราบวชท่าสี่พันช้าจะเข้าเป็นเบาะนี่เรามาเจอมาเจอกระโซราวันคู่หนึ่งทั้งผัวทั้งเมียด้วยวันนี้ ได้จดเอกสารไว้กับผมนอนฝันไปก ร, กระผมกรผมไม่ได้เลขมาแต่สองพันห้าร้อยแล้วสุราเมรไรก็ลดแล้วไม่กินหนอนถึง พ, พระพุทธธรรมประสงค์อยู่เมืมอไม่ค่าสัต์จักชีวิตไม่ยอมนับถือศาสดาอื่นไม่ถือเรื่องดียามดีมานานแล้ว กระผมภาวนาพุโทโธเป็นนิจวัตรเมื่อกระผมหลับไปก็ปรากฏเห็นเทวดามาเอาไปเถอไปเถอะไปเมืองสวรรค์กับเราไปเถอะเออยังไม่ไปดอกเพราะว่าลูกก็ยังเล็บอยู่ไม่อยากจะไปสวรรค์พราะ เ, เคยไปเห็นแล้วในเมืองสวรรค์อยากไปถึงพระนิพพานทีเดียวแต่ว่าลูกยังเล็บอยู่ไม่ไม่ไม่ไปดอกภรรยาก็ฝันกองกันก็เห็นในเวตตกองกันเหมือนกันภรรยา เขไม่ทะเลาะเบาแยงกันทั้งสองผัวเมียเนี่ยเออมีสินห้าบริโภด้วยไม่ค้าขายเรื่องผหารด้วยไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายจัดเป็นเรื่องสารเสตัวข้าเป็นเป็ น, นอาหารไม่ค้าขายเรามองไม่ค้าขายยาพิษ ด, ด้วยแล้วก็ไม่ซื้อสารพาอื่นด้วยแล้วไม่เสียดายอยากจะล่วงสินห้าด้วยไม่เสียดายอยากจะพบกับชั่วด้วย ไม่เสียดายอยากเล่นการพนันทั้งพวงด้วยนั่นพวงของพระโสดาบานันเมื่อมันไม่เสียดายอยากเล่นมันก็ไม่เป็นข้องหนักเพราะไม่เป็นข้องหนักอยู่เรื่นี้ก็เพราะมันเสียดายถ้ามันไม่เสียดายไม่ดมันก็เป็นข้องหนักทำไมเช่นทาลายที่เราว้ทิ้งเราไม่เสียดายจะเอาเข้ามาในป่ามันจะเป็นข้องหนักทำไมเพราะเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ผู้ที่เว่นจากอบายนุกได้ขอเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยดิ่งเลยเขาถอนไม่ออกความเห็นถูกในทาง ทางถูกมันก็ดิ่งลงถอนไม่ออกเหมือนกันความเห็นในทางผิดมันดิ่งลงไปชัดนะ้รับมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันนอกจากเจตัวจะเห็นเองเหตุเช่นั้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาดิ deciding, mm ่งลงไปพระบรมศาสีราจจะไม่กล้าแก้ไขได้ให้เขาเห็นโทษเองเหตุเช่นนั้นพระธรรมจึงเป็นสัมทิฏฐิโกจึงเป็นอาการิโกจึงเป็นเอหิปัสสะโกคนรองเรียกให้ตนมาอยู่ได้ตนไม่เลื่อมใสก็ควรรองเรียกให้ตนมาดูได้ตนเลื่อมใสก็ควรรองเรียกให้มาตนมาดูได้เนียหวะ อย่างพัติโกรหรือปัจจตังเห็นเฉพาะตนคนเฉพาะใจเห็นยามในเฉพาะใจเป็นมนารังเราเรื่อไสว่าพุทธศาสน า, าเราก็รู้อยู่เราไม่เรื่อมเราก็รู้อยู่นั่นแหะปัจจตังแต่ปัจจตังในทางพระพุทธศาสนาคงหมายเอาพระโสดาบันเป็นเกณฑ์ถ้าหมายเอาอันอื่นก็สูงสี่สิบห้าเกินไปเช่นพวกเขาไปลักไปขโมยเขาก็บอกว่าเขาเป็นปัจจตังข้าพระเจ้าเขารู้ว่าข้าพเจ้าลักอยู่แต่ข้ า, ขาพระเจ้าไม่ยอมยอมรับสารภาพนะั่นเขาก็รู้เขาอยู่ อันนั้นปัจจตังอันนั้นไม่มีขอบเขตไม่ถือเป็นเกณฑ์ปัจจตังในที่หมายถึงสุปัจนโอสุยายาสามีจนลําดับไปปัจจตังความเห็นเองในพระสวสดา์วันความเห็นเองในสัคตาคามีความเห็นเองในพระอนาคามีความเห็นเองในพระรหั น, นาหาคือเห็นชอบจบแล้วก็ไปเจ้าพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วสัมมาญาณะโดยสิ้นเชิงแล้วสัมมาวิมุตติโดยสิ้นเชิงแล้วอัน น, นความเห็นในโลกุตระก็มีสี่ชั้น ความปฏิบัต <watering>, ิในโลกุตระก็มีสี่ชาติสี่ชั้นหน่งคือพระสวสดาบันความเห็นพระสวสดาบันความเห็นพระสักรธาคามีความเห็นพระอนาคามีความเห็นพระอรหันต์จะเอามาเทียบกันไม่ได้ความเห็นพระปเจดความเห็นข้อพระธรมาพรพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้แตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นชั้นที่หนึ่งมียานเร็วกว่าเพื่อนหายใจครั้งหนึ่งแือเลือกชาติได้ตั้งพันชาติแสนชาติพระบรมศาสดาผู้ที่เดินทางไปพัฒนาคนละลุกได้ถึงพันชาติแสนชาติเหมือนกันหายใจเขาครั้งหนึ่งก็เลือกได้เหมือนกัน หัวใจเข้าเห็นอ น, นิจจังชัดเกิดขึ้นแล้วไปพัวใน้วแต่สายก็เรียกว่าเห็นร้อยชาติพันชาติเหมือนกันเพราะเกิดมาชาติในก็มีแต่เกิดขึ้นแล้วไปผัวแลดับไปนั่นธรรัน้าจะสูจะสูรอบครอบปัญญาจะสูจะสูญคือปัญญาคนละลุคชาติได้เหมือนกั น, นเหีนอ น, นิจจังคณะหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งใช่ไหม เพราะโลกเต็มไปด้วยอะไรนี่ังเห็นดินน้ำไฟลมขณะหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะดินน้ำไฟลมโลกเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นในกาแรพ ว, ปปวนและแตกสลายโลกเต็มไปด้วยอะไรอะไรที่ยับเยียดอยู่ในโลกก็คือสังขารสังขารภาพพันของสังขารคืออะไรก็คือเกิดขึ้นในกาแร ป, ปวนและแตกสลายไป เธอจงรู้ตามจริงเธอจงปฏิบัติตามจริงเมื่อเธอรู้ตามจริงเมื่อเธอปฏิบัติตามจริงแล้วความหลงของเธอจะตั้งอยู่ไม่ได้เราะวาลมสาอานี่นั่นแหละทางแห่งวิสุทธิศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินั่นศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาเราดูในปัจจุบันฉันทะพอใจรักใช่ในธรรมะในปัจจุบันในเป้าในปัจจุบันที่เพ่งอยู่ วิทยาเพรมาประกอบในเป้าในปัจจุบันยิตะเอาใจเข้าไปในเป้าที่เส้งอยู่ในปัจจุบันวิมังสามันตรีต้องพิจารณาเหตุผลในเป้าที่ปัจจุบันคุณ4ี่อย่างนี้มีบริบรูรณ์แล้วอาจทักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องขอ ง, งสงฆ์ซึงเือนเิมสายนั่นพระคืนทําในกําลังหอย่างศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและรูชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญาเรารู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความหมายอันเดียวกันที่ท่านพูดมากก็อธิบายแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์อธิบายคนนั้นฟังบ้างคนนี้ฟังว่าเรามารวมกันแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ไอ้แท่ก็ลงย่นลงมาหาเอกขันธ์คือกิจในปัจจุบันนะแปดหมืนสี่พระธรรมขันธ์นะ มีสีขัน er สมาธิขันปัญญาขันมีมุติขันมีมุติญาณสัตสนะขันก็รนลงไปเเป็นเอกขันในปัจจุบันนั่นหังข้าโหลังข้าโห้สงเคราะห์ลงมาฝ่ายปัจจุบันก็ต้องสงเคราะห์ลงมาจะขยายก็ไม่ต้องสงสัยจะย่นลงมาก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเชือกเส้นเดียวเราจะขึงมาเราจะเอามาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสงสัยมันแล้วจะถึงไปยาวใหญ่จนทั่วโลกเราก็ไม่สงสัยมันนะ่นรัตต์ตายย่นลงมาหาเอกตายรัตตุกย่นลงมาหาเอกทุกนั่น ถ้าเป็อเ น, นจังง่นลงมาหาเอกอเ น, นจังแค่นั้นไม่มีใครจะข้ามความพ้นความสงสัยของตนได้นั่นนัก น, นันก็ามาจดแข่งงานเเครื่องข้ามพ้นความสงสัยนะเศรษฐศาสตร์นไหมฮะไม่ได้สอนให้มาเอาความสงสัยบวกกันสอนให้ทำสอนให้คําความสงสัยให้สลายนั่นอนน้เห็นโทษในความหลงของตน แม่สอนมาให้เป็นไหวของความหลงของตนนะนะสอนในเรื่องไรยในพระพุทธธรรมประสงค์แต่แในใบังคับยินดีในพระพุทธธรรมประสงค์ชะนะความยินดีทั้งปวงยินดีในพระนรพนชนะความยินดีทั้งปวงเกตณาถึงพระเนรพลชะนะเกตณาทั้งปวงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อเป็นเทพพระเจ้าหรือเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชมสมบัติเรียกว่าพรมกันทะลุด่าวพรลอยไม่สามารถจะคนทุกข์ในปัจจุบันชาติได้สําหรับพระผู้บวัดแล้วไม่เป็นหน้าที่จะปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชมสมบัติดิ่งพระนิพพานสมบัติสิ่งเดียวจึงสมชานะที่แบกฎวดไฟมู่ส่วนญาติโยมมันยกไปหนักเพื่อปฏิวัติเจอคนทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากนะ ถ้าปฏิบัติเพื่อลาบยศสารเสืออะไรต่ออะไรมันก็ยุ่งเหยิงแกอันหนึ่งมันก็อันหนึ่งก็พันมาแกอันหนึ่งอันหนึ่งก็พันมาเหมือนลิ้ยงทอดแหนั่นนัน่นมัเคยถูกมาแล้วเคยประสบมาแล้วเรื่องเหล่านี้พระบรมศาสดาก็ประสบมาแล้วเหมือนกันจึงได้มาเทศพวกเราคนเราไม่ประสบทุกจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้นะเช่นพระบรมศาสดาไม่เคยเห็นคนแก่คนเส็บคนตายจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้ที่แม่ห้ามมระ้ามห้าม ไปแ ย, ยมใครแยบตายใครอ่ะมันนั่นเป็นคำผิดเป็นคำเข้าใจผิดในในมรมราชวัางของพระบร ม, มศาสตร์ก็สตารก็ต้องมีคนแก่เหมือนกันง่อมเหมือนกันจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาพิจารณาให้แยบคายเฉยคนไม่เห็นคนแก่คนเก็บ ค, ค, คนตายจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้คนไม่เห็นกองทุกจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้นักนักทุกปัญญาวิศเศษเป็นเหตุ ให้นักปาดเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารเป็นเหตุให้นกาดญเคล็ดลับในวัฏสงสารจะไปะหาความสุขในโลกมันไม่มีสุขในฆราวาสุขเกิดแต่ความมครับสุขเกิดแต่กายทัพ บ, บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นศีลสุขเกิดแต่ทํางานที่ปราจ า, ศาศ์โทษถึงอย่างนั้นก็เกิดขึ้นแล้วแปลโปรในแตกสายในอา m i t ์ ส่วนสุขในพระพุทธศาสนาสุขในสุริปโนสุขในอุชุสุขในยายะสุขในสามีเกศพระ ร, รียนเรียนจบสุขแล้วนโมพระหรหัก็เรียนจบแล้วน้อมๆจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายนั่นโมชาวโลกทั้งหลายเป็นนโมเรียงนโมานโมวัดนโมเบอเป็นส่วนวาวามากก็มีเทศกันเดียวกัน คนหนึ่งน้อมประยางหนึ่งคนหนึ่งน้อมประยางหนึ่งพรานานาคิดต่างนาน า, านนธรรมาเหตุฉะนั้นกรรมและผลของกรรมจึงจําแนกสับไว้ให้เป็นต่างกันไม่มีใครจะเกลกาดเนืกรรมและผลของกรรมได้กรรมและผลของกรรมในทางพุทธศาสนาส่วนกุศลกรรมท่านข้หมายอภรณาคามีเท่นั้นส่วนภาคพระอานาคามีาไปเอามาจัเป็นกรรมและผลของกรรมเป็นอาโหติกรรมตรรมที่ให้ผ ล, ลําเร็จแล้ว ควฝ่าย ฟ, าฟาทางบาปท่านข้หมายเอามาหาอิจีเนรกและโลกันตนานรกสิทธิเรีกว่าคารุ ก, กรรมคำหนักให้ผลทันตาทําบาปให้ผลทันตาทําบุญก็ให้ผลทันตาเหมือนกันกจำทุกแค่นี้บุญทุกแค่นี้ต้องให้ผลในเวลาทำทั้งนั้นแต่ส่วนจะตามไปหรือไม่ตามไปแล้วแต่กรณีของเหตุผลอันนั้น เชนพวกเขารักเขาขโมยอย่างนี้ถึงกับตัวไม่ได้ได้ตัวไม่ทันก็าตามเขาก็อยู่เป็นทุกข์นั่นผลของคุณทุกข์ม่อยู่ผู้ใดเห็นทุกข์ก็ผู้นั้นจะเห็นโลกผู้นั้นก็จะจะเก็บรลาบโลกถ้าทําขั้นสูงของพุทธศาสนา พูดที่ถึงที่สุดทุกโดยชอบแล้วท่านก็ปฏิเสธทุกเลยปฏิเสธทุกเลยในว่าตางสารไม่มีลุดทีติเซลผู้ยยับไปโลกคืออะไรรัฐโลกโลกคือโมสักโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมาผจญละหกชั้นภมโลกได้แก่รูปภพสี่พั้นและรูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง สังขารที่มีใจครองและไม่มี ใ, ใจครองสังขนารลาปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังมันทุกอย่างยิ่งทุกครังอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งก็งเกิดขึ้นในแปลปัวระดับเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนะนะถ้าใครเห็นพ่อเขาลมเข้าลมออกเห็นพ่องขาพนักกินเทนึกขึ้นอย่างนขาแน่นละเอียดมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดดับติดต่อกันเป็นระยะระยะเนี่ยเช้นแสงไฟอย่างนี้ก็เกิดดับเดียวที่บุึ ความนึกคิดขเราก็เกิดดับเร็วที่สุดหาระหวาไม่ได้หลังคาเกิดดับหาระหว่างไม่ได้พระเนรพานาก็ไม่เกิดไม่ดับก็หาระหว่างไม่ได้พระเนรพานาก็คือดับเพนในวัฏฏสงสารถ้าเพนในวัฏฏสงสารก็คือเพนกับลุมผ่านเพลิงกิเลสก็จับเอาเป็นเฉลยศึกมันมามามามา ม, ามาลงคะแนนให้เรามาเข้าข้างเรา หนึง่งโลกภายอัจฉตาโลกคือหนังห่มอยู่ดยรอบพัยเฮทาโลกคือท่านผู้อื่นบุคคลอื่นที่สมมติใช่กันจัดอื่นเดี๋ยวพระังเฮาโลกคือโลกภายนอกอัจฉตาโลกโลกภัยสังขารก็รรมกันอัจฉตาสังขารก็คือกายกับใจก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ท, ที่มีอยู่ภายในของเรา พรยถาทั้งขานก็คือของท่านผู้อื่นที่สมมติว่าท่านผู้อื่นบุคคลอื่ น, ท, น, นท่านอื่นสิ่งเรล่าี้กิดขึ้นอะไรแปลผและแต่สลายทั้งนั้นถ้าจะว่าโดยส่วนท่าที่ยับยามพวกเรานั่งอยู่นี้ก็คือท่าดินน้ำไฟลมเสมอกันหมดแต่ส่วนจิตใจอยู่คนระดับแต่นั้นเกี่ยวกับงธรรมะและศีลของแต่ละท่านแต่ละคนส่วนดินน้ำไฟลมมีเสมอกันหมดเนียกิดขึ้นอะไรแปลวลและแต่สลายเหมือนกัน ถ้าแต่ว่าเราแก่ก่อนผู้แก่ก่อนเราไปก็มีถ้าแต่ว่าเราตายก่อนผู้ตายก่อนเราไปก็มีถ้าแต่ว่าเราตายหลังผู้จะ่าตายหลังเราไปอีกก็มีไม่รู้ว่าใครตายหลังตายก่อนเยันกันอยู่นั่นนี่นี่ยันดีในธรรมชะนะความยันดีทั้งปวงเป็นห่วงบุษ ธ, ธิดาเกรงว่าจาปะปฏิบัติไม่ชอบธรรม ทำมาก็ทำทั้งหลายทรงอยู่มีอยู่มีโลคีทำมีโลกุตระรมเป็นต้นทูตุจ้าปโนเป็นโลกุตระรมต่ำกว่า น, นั้นลงมาเป็นโลคีโลคีทําโลคีธาตโลกีขันมีความหมายอเดียวกันเธอทั้งหลายจงรีบมีชิ้นห้าชิ้นเออทอมบรมัสสาราจงพากันทําตัวให้ถึงพระสวัสดิวันชิ้นเออ เดี๋ยวเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังเน้อพระบรมศาสาดาถ้าเธอยังไม่ถึงสุปฏิปโนแล้วสุปฏิปโนเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะถึงเน้อถ้าชาวพุทธไม่ถึงสุปฏิปโนจะให้ผีตัวใดมาถึงพระบรมศาสาดาความดีคนดีทําง่ายความชั่วคนดีทํายากความชั่วคนชั่วทําง่ายคนชั่วคนดีทํายาก คนชั่วคนชั่วทําง่ายคนดีคนชั่วก็ทํายากเหมือนกันมันของใข่ของมันเมลงวันตอมใจยอดไข่ขางเป็นของง่ายแต่มแมลงผู่ไม่ยอมเมลแรงพู่แมลแรงพึ่งจะให้มแมลงวันไปเรื่อมใสมแมลแงพู่แมลแรงพึ่งมันก็ไม่เลื่มใสเพราะมันก็ว่ามันเป็นโรคทริปมันก็ว่ามันเป็นของทริปมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของข้านะ <c oughs> <c oughs> มันก็ว่าประชาชนที่ไต่ของค้ามันก็บอกว่าทั้งคนนิยมของข่าหมูมากลากไปถ้าลากไปทางผิดมันก็ผิดถ้าลากไปายทางถูกมันก็ถูกเข้าบ้านเข้าเมืองเขาพาเรือตาเขาต้องเรือเส้เรือทําไมไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เรือเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์มีขอบเขต ชัวออื่นไม่มีขอบเขตสิ่งที่มันชั่วมันบัญญัติว่าเป็นของดีก็มีสิ่งที่เป็นของดีมันบัญญัติบัญญัติว่าชั่วเขามีเอาเป็นเกมไมาได้นม่สู้พุทธศาสะนาะพุทธศาสะนะาบัญญัติบริบูรณ์แล้วนเนี่ยเนั้นเราจึงยอมไหวไมนไม่ยอมไหวด้วยความโง้ยอมไหวด้วยความเลื่อมใสศรัทธานะเราก็ไม่เห็นตัวพระเจ้าทัศน์แล้วเลื่อมใสในคําสอนของพระองค์คเห็นแต่ลูกพระองค์ เห็นแต่ทำนาผู้ใดเห็นคำพูดนั้นเห็นเราเรื่องใช้คำสอนของพุทธศาสนาคณะความเรื่องใชทางปวงในโลกของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วขอหาประโยชน์ไม่ได้ไก่แก่ตัวหนึ่งขณะเมื่อคุยเสียวหาอาหารไปพบพลอยเมล็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจะของของเจ้ามาพวกเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเอาเจ้าไปฝังในไว้ในหัวแหวนตามเลยนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไร กับเราสู้แต่เข้าวสุก ข, ข้าวสา ร, รเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าว่าแล้วก็คุยเขียไปในแปลงอื่นๆชั้นในก็ดีผู้ที่ซื้อสาสจะนาพุทธไม่เท่าของเราดอกไม่เท่าของเร า, เ, า, เ, ราเรียกว่าคุยเขียบไปในแปลงอื่นๆของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จั ก, จกใช่หรอื่นอื่นๆจะพูดน้ำไหลสายดับก็าตามเถิดเออ <c oughs> นอกพุทธ <c oughs> ไปอ่ะ มันก็เท่ากับว่าคนตาบอดมาอวดฝนเข็มต่อพุดคนค้าหักมาอวดวิ่งเบียดเบียนพราะพราสนาเบียดเบียนไม่ลงเอ้าเพราะผลของกรรมมันมีอยู่นั่นตารวจทหารจับไม่ได้ผลของกรรมก็มีอยู่ใช่ไหมนั่น <c oughs> นั่นนันั่นนั่นผลของกรรมมีอยู่ ตำรวจทหารจำไม่ได้ของคนกองกำรอยู่เพราะกำรแล้วคนกองกำรไม่รับเป็นเป็นขอรับชั้นกับชั้นผู้ใดตามสนองเธอเลยเธอเป็นเป็นคนชั้นวรรณะไหนก็ไม่ไม่ไหวหน้ากับเธอไม่ลําเอียงเลยนั่นตามเหตุผลที่ทำน้อยและทํามากน่นเหตุฉะนั้นจึงยอมเชื่อพระพุทธศาสนาผู้เชื่อกำรแล้วคนกองกำรกับผู้เชื่อพุทธคำสงฆมีความหมายอันเดียวกันถ้ามันเนื้ตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นผู้เชื่อเหตุเชื่อผล รักธรรนิทาเป็นผู้ระจักผลรู like days, ้จักว <them> <through> ่าสุเป็ผลเแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้อันนี้เป็นภูมิของสุปจิปันโนนะผู้เ <peacefully> ร <ßen> ื่อมใสในสินห้าไม่ละเมิดสิ้นห้าขอบพูมของสุปฏิปสันโนแล้วไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ้นห้าว่อไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าแล้วทําไมจึงจะหนักไก่มันก็ไม่หนักไก่ที่ที่มันหนักไก่เพราะเพราะมันเสียดายอยากจะล่วงหน้านักหนถ้ามันเห็นดีงลงไปได้ว่าเป็นทางชิบหายเป็นทางไม่เจริญ ถ้ามันเห็นอย่างลงไปว่าเรามีชิ้นห้าเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ทรัพเต็มเป็นท่าไป็นินถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้วทําไมมันจะล่วงละเมิดทําไมมันจะไม่ยินดีหนักหนักหนักแต่ห็อัตโนโนาโสตเป็นพึ่งของตนใจเป็นใพึของใจมีความหมายอันเดียวกันธรรมเป็นในพึ่งของทํามก็มีความหมายอันเดียวกันยอดลงมาเป็นหนึ่งเป็นเอกนิบาทลงในใจลงในใจ มนุษย์พระังขมาธรรมะมนุษยเศรษฐามนุษย์วิญญาตั้งาหลายมีใจเป็นใหญ่พระสูตรก็สูตรของใจพระปรมาทก็มัดเข้าที่ใจพระวินัยก็พระวินัยของใจย่นลงมาเป็นหนึ่งระนาบวาเป็นสองพระสูตรก็สูตรของกายขยายออกเป็นสองพรวินัยก็พรวินัยของกายกับใจย่นลงเป็นสองขยายออกเป็นสองพระปรมาทก็มัดเข้าที่กายกับใจย่นขยายเป็นสองขยายเป็นสามพระสูตรก็สูตรของกายวายกายใจ พวรไงก็พเวรไนของกายวายใจพระกระมัตก็มัดเข้ามาหากายรายใจเงินมันเป็นทุกขานิบาตเนี่ยนักเงินเป็นขยายออกแวงจะทุกข์กานีบาตยังไงก็ธาตสีนิ่งไฟลมก็อริยสัจี่ทำททางอันไหนอันไหนที่สงเคราะห์เขาในหมวดสีได้ก็เอามาสงเคราะห์ทำอันไหนสงเคราะห์หมดวดท่า้เอามาสงเคราะห์เป็นหมวดหมวด แต่ความหมายเขามีความหมา ย, มายอันเดียวกันออกไปจากออกออกไปจากเอกานิบาตนะงนันบจากพันนามก็ออกไปจากเอกานามนามงแปลว่าชื่อมันพระหูวาจะนะคือพูดมากก็ออกไปจากเอกาวาจะนะจะนับถึงล่าดก็ออกไปจากรักหน่วยนัดจะย่นลงมาเขาย่นลงมาหารักหน่วยเหมือนกันนักถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นนะ่ะ ย่อก็ยุ่งเงยนะพุทธศา ส, สะนาอันเดียวเท่านั้นจะสอนคนใถึงพระนิพพานอันอื่นอื่นอย่ามาเลยเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมากกว่าไม่เห็นไม่ตายท่องมหาสมุทเราก็ไม่ลงท่องมหาสมุทรตั้งปล่อยโกรธเราก็ไม่ลงอนนันอื่นจะมาแข่งดีต่อคับพระพุทธศา ส, สะนาเราไม่ลงเลย เราไม่เชื่อกันมาตายแล้วเลือดทุกหยเราบูชาพระพุทธศาสนาแ ล, ล้วทุกวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบางครึ่งของพุทธศาสนาหมดทรัพย์สินในตจโลกธาตุเป็นบางครึ่งของพุทธศาสนาหมดไม่พูดอีกก็รจริงองีกเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตตาชี้นาสดทั้งหลายท่านเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วมากกว่าไม่เห็นเมธายในเท่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรที่ยังจะมาอีกก็มากกว่านั้นอีกที่ไปแล้วก็มากกว่านั้นอีก ท่าไมอะไรเสียแล้วเมื่อทํานอะไรแต่ว่าของท่านทําไมน้ําลายท่านบนเที่ยงแล้วเพราะว่าน้าลายคนนั้นคนนี้แต่เจ้าของเขาไม่อะไรใช่ไหมนั่นเพราเราเห็นเขาบวนอยู่นี่น้ำลายคนนั้นคนนี้นีนนน่อุจจาะคนนั้นคนนี้แต่เขาไม่อะไรจะเอาไปเข้าตรวเขาเองนะท่านทําไมพูดหยาบนะักถ้ามาอย่างนั้นมันไม่ถึงทําต้องพูดหยาบหยาบยาเพราะมันชอบหยาบ นิสัยของเราเถ็นเราแล้วก็เขียนยามอย่างนั้นเมื่อแต่อัตมาภาพอัตมาภาพอยู่แล้วร่มจภาพจะภาพอยู่นะไม่เอาอัตมาภาพนิสัยผงผางกรมมฐานอันใไนดีหมด ขอแต่ทาคําสอนของพุทธศาสนาเป็นดิ่งของชาวโลกถ้าชาวโลกตั้งบทกฎหมายลงไปแล้วไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วไปไม่รอดเป็นระดับน้ำเป็นดิ่งเป็นมาตาตวัวมาตา ว, วะรระยักษ์คำสอนของพุทธศาสนา จะมีก ja. <Alleg aba. S 1> ี่พระองค์ลงมาก็ตามเป็นคำสอนอันเดิมเดิมไม่ลบล้างกันไม่ลบล้างพอราบอกกันพอดีพอแล้วศาสนาพระพุท่เจ้าองค์นั้นยังบกพร่องอยู่ข้าพเจ้าจะบรรจับอีข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมอีกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้คัดค้านกันเพราะมันดีพอแล้วเป็นธรรมมาธิปไตยโดยทําแล้วไม่ใช่อัตตาธิปไตยเห็นตนเป็นใหญ่ไม่ใช่โลกาธิปไตยเห็นโลกเป็นใหญ่เพราะว่าโลกาธิปไตยเห็นโลกเป็นใหญ่หมู่มากลากไป ถ้าลากไปทางผิดมันก็ผิดสีนั่นถ้าลากไปทางถูกมันจึงจะถูกเอาเป็นประมาณไม่ได้หมูมากลากไปหมูน้อยลากไปทางถูกก็มีหมูมากลากไปทางผิดก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนพระโสดาบันพระกะทาคามีออนาคามีพรหาหันเพราะผูุชนคนหนาถ้าไม่เอาดิ่งคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นเครื่องปกครองโลกแล้วโลกทั้งหลายก็วุ่นวายกันอยู่นี้แ่ะ ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พระพุทธศาสนาเอาแลนะ้วเนี่ยเอาไปกินแล้วนะจับเอาตัวทั้งคันแล้วเาจับเอาแก็ดแล้วนะจับเอาแกา็ดของกฎหมายแล้วจับเอาแกา็ดของธรรมะแล้วทีนที่ดอดตะปะั้มปัญ น, นานี่ี่ความละอายต่อบาปทําเป็นคุ้มครองโลกคำคุ้มครองโลกมีสองอย่างคือนี้ความละอายต่อบาปนี่ทีความละอายต่อบาป โอตร ะ, ะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าไม่น่อายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วกดไม้กดหมูกดทักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทำก็ไม่นำคำหนึ่งเพราะวัดที่พึ่งปิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนะพระพุทธศาสนาเอาไปเป็นหลักแล้วเนี่ยนั่ใครจะเกณฑ์สเพียงไหนเนาเอ า, เอาดู ด, ด, ดูนี่นั่นกฎไม้ หรือพ่อแม่ไหนก็ตั้งขึ้นจีน่นลาลาดข้อก็ตามถ้าไม่มียางอาต่อบาไ ม, ม่กลัวต่บาลแล้วมันก็ไปกันใหญ่เอออีพ่ออีแม่กูเอย๋ยผู้นออ้อยไม่พออธิบายเลยผู้ไรเบ่อหูนั่นนี่แหละหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเอามาแล้วรวบมัดแล้วเนี่ยถ้านักมวยเอกตัวรวบมัดละเออรวบมัดแล้วไหวตึงไปมาไม่ได้ละเออรวบมัดแล้ว ไหวตืงไปไปมาไม่ได้แล้วกรรมการแก้ทันก็ทันไม่ทันก็ตึงเลยละอ๋อนั่นถูกไหมนั่นจะเห็นดีนะเห็นดีกันเอ้าพวกที่ถือไม่มีบุญไมีบาปเข้าไปได้ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นไม่โทษอีก พวกทเถื่อมัไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปได้ไหมนั่นนั่นนั่นพอรู้ตัวมันก็สายไปเสียแล้วไม่มีทุนสู้ไม่มีทุนสู้ไม่มีทุนสู้พอรู้ตัวพวกเล่นเล่เล่นผาเพราะั้นการพอรู้ตัวก็ไม่ไ ม, ไ ม, มีทุนสู้นาก็ไปสวนก็ไปอะไรก็ไปผัวเมียก็แตกกันไปเจิงนั่นถูกหมนั่น นั่นแหะขนเอกพระพุทธศาสนาเดี๋ยวก็เข่าวเล่าเลยกันเล็กน้อยอย่างนั่นอย่างนี้เขาว่าบอกเลขออกแล้วก็พากรไปคอยภาพกนไประแทะต้นตะเคียนในสมัยก่อนในสมัยสองสามเดือนล่วงไปแล้วนะเออแล้วก็น่าสงสารจริงนี่ก็เพเห็นไดก็เพเหตนเราบอกพ้องคำสอนพระพุทธศาสนาปัณติตา นั่นกะให้เขารัให้เขาให้เลือกสายในบันเทศก็คือให้เลือกสายในพุทธศาสนาเนี่ยก็เพราะพุทธศาสนาอยู่ในที่ใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนทําไมจะไม่เลือกสายก็มไม่ในอูในตู้ในหีบน่ะอยู่ในสติ dieses, ในปัญญาของเราเนี่ยนั่พุทโธก็อยู่ที่รวงกายของเรากราบลงแล้ว ก, กราบพุทโธก็กาบ mm. วารวงกายของเราเองเพราะเราเลือกสายพุทโธก็พุทโธอยู่ที่ใจถ้าเราเลือกผีก็ก็าบลงแล้วก็ากาบผีอยู่ที่รวงกายนั่นถูกไหม <laughs> นั่น แล้วเข้าใจว่าพุโทโธธรมรโมโอทโคโยดินฟาอาการมันก็ไม่ถูกก็อยู่ในใจของเราสินั่นแล้วเข้าใจว่าผีอยู่ในดินฟาอาการก็ไม่ถูกมันก็อยู่ในหัวใจของเราถ้าเราถือผีผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาไม่มีแก่ผู้ไม่ทำํำผัวมีไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดนั่นถูกไหม <c oughs> วันนี้คนตั้งหมื่นคนตั้งพันเนะะื้อวางอยู่วันนี้สองสองหมวดสามหมวดแล้วมานี่หมวดก่อนนั่นไป มาเข้ามานี่เต็มญาติแยกเนี่ยมีปัญหาสอดเข้ามาว่าทําไมจึงไม่เอามา พ, พุทธรูปมาไวน้นี่ก็เพราเห็นว่าอยู่ข้างบนมันมีถ้ามีชั้นเดียวก็เอามาอยู่เวลาเราขึ้นไปข้างบนมันก็เป็นขัดขัด ข, ดของขวางเพราะมันอยู่ใกล้จะหลวงปูมั่นก็ไม่พาทําลวงปู่มหาก็ไม่พาทําลวงปู่มหาบอกเขไม่พาทาอยู่ข้างบนก็ทํามุกไว้ซ้ํเพราพุทธรูปเต็มนี่นี่นห้อง พ, พุทธรูปจะหมดนี่ไปมัด ไม่ดีครับลงมาแต่หัวเดียวนี่ <c oughs> น, นี่เขา <c oughs> เขามาบ่นให้หลวงปู่ไม่มีพระพุทธลูกกาบทําไมทีนี้พวกหนึ่งเข้ามาเข้ามาเห็นหลวงปู่กาบหลวงปู่ไม่เป็นคนโง่นะไม่มีพระพุทธลูกก็กาบไม่ได้พวกลูกพวกหลานมันโงต่ตายอยู <c> ่ <oughs> ร า, าบพระพุทธพระธรรประสงค์ดวงไกลนี่แล้วกาบตรงนี้หลวงปู่กาบทําไมเอา มีแต่ต๊เข า, อาเออ พ, พ, พระพุทธรูปพระพุทธประธระสงค์ในร่องดวงกายรูปหลานเ อ, อย๋ยเขาไม่เห็นพระพุทธรูปอยู่ในนี่เข้ามาเขาก็บนมาอ่านให้ฟังซินี่นี่นี่ข้าใคตาดีมากนี่นี่าอ่านให้ประชาชนฟงังซินี่ อายุแปดสิบปีนะสนเข็มได้สนเข็มน้อยๆเชนนีผ่าในใก้เก่งปไปไหนนี่ปเป็นปะผ่าเพิ่นเป็นสุ่นผ่าเพิ่นปะผ่าเพิ่นเพราะปาพระเาสตว์กนเพระในะท่านเสียงสว่าผูู้ชากับปรชนียานังบูชาด้วยอาเมธพระพุทธศาสนากรบาหามบูชาด้วพระเาบูชาด้วพระเจวัดเป็นทราเทิงเมืทั้งอาเมธทั้ง ปฏิบูซารพระพุทธศาสนาเว้นอามิตบรนนบุไรพุรัคณ์พูดว่าอยากจะเอาดอกไม้มาบูซาเออฉันมันโบเมนโบเมนานที่ของพระเจ้าพระสงฆ์นะฉันกรท่าท้ายเน่กระท่ า, าท้ า, ายได้ดอกไม้ได้ดอกบัวมาเมือ่อประบูซาพัฒมาไลพรฒมาไลเป็นพระละหันห่วยดอกบัวเนี่ยเฮาคุณว่าวได้บอกเขาไปเด็กนะฉันเขาเอามาให้นะฉัน โดยสรัทาของเขาแล้วก็ควนหอขึ้นไปบูชาธาตเจีจ๊จนระเีนี่นไปอย่งนั้นพาหลานเนี่ยฮ ะ, ะเก็หอ่อขึ้นไปบูชา 7, 7เจดธาตุเจยวจุละมเบนี่หมอดังนั้นว่าคนจังปถามเรื่องพระศรียาเมตไตรบูชากับบูชนิยานังอาิษณุบูชาบูชาโอาิตพระพุทธเจ้าก็าได้ส่งหามเลยแต่ห่างว่าบ๊มีอเนสง่งทบบูชาปฏิบัติอัน โมบอทอปฏิวัติบูชาแต่ว่ามันหังไปน้ากันพร้อมกันนว่าเ่นเนาะขาดอเมบบซ่าเขาพราะรก็ต้องไปพร้อมกันนะฮะคือปัจเจี่นปัจเจียี่ว่ามินทารเสียหน้าสะะเพรับเนี่ย่ะก็เอาไปพระเนี่ย้านาเอาวันปฏิวัติเพื่อไปพระเนย้าก็่าอันนี้ก็ันนี้เอาไปพระเนี่้าเนี่ยก็ใต้บูซ่าเพื่อขามีซ่าพบยกไก เดียจะเป็นคนตาบอดระเบะ้อกไม่เหียนุูงได้ระเบะ้ <c oughs> เหียนธูงทา้งใจเนี่ยใจสว่างแล้วตากะสว่างกันจ้าผลสินท่ามับนบ่คือกันเน่อือมีอันนี้อภินิหารต่างกันกจุปเรี่ยวมาสซ่องมัส่องเตีเตียนม่เมืองสวรรค์ดอกบนท่าเพื่อแอลนี่บนบุษากันอยู่ อือพวกพัติเศษว่าใครบูชาเห็นหนาเดียวโพสว่างจักเรื่องเมือม่อรค์เมื่องันเขากับบูชากันดยู่นะออดอกม่อนท่านเพรี้ยงแอวจะละมือละเมือม่อเนี่ยเพคนไปตัวกินขน้องเขาว่าพระอสิอริยเมตไตรลงมาซุปมาแล้วเอวท่านว่ไปตัวกินขาน้องเขาอืมม่ใท่านลงมาตายยังไง ภาษียมงไม่ตายเผื vess vess <the> ่อว่าบวชน้ำพระศาสนาเข้ายคเสวะพระอาทิตะเผื่อไปโยสันดุสีผลเดียวเนี่ยเผ่ตายกรพระพุทธเจ้าเข้าไปเผื่อศลมาเกิดเมื่องพระราเนี่ยเมื่องมาพระราเนี่ยีเสวาเมื่องกุตุมาวาดีเมื่อเสวเมื่อกุตุมาวาดีน่ยิตตัตถุไม่การกระเพ่งแม่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระสวนาวันเอกกระเพี้ยนขึ้นยุ่สันรุสิเดียวนี่พระพุทธเจ้าของเขา พอเพิ่นปาชนะเป็นแม่พระพุทธเจ้าหารพระองค์เพิ่นได้เปลี่ยนแม่มาแล้วพระกะกันโทหนึง่งโกหน้าคำโน่ึพระพุทธเจ้าโกน้าคำโนเพิ่นก็เปยมาแล้วกัตตโปเพิ่นก็ไปมาแล้วโคตะโมเพิ่นก็ยัางไปมาแล้ ว, ลลลวยัางอาริยะเมตโยฮนี่เพิ่นไดเป็นแม่พระพุทธเจ้าอีกอ ง, ง น, นึงเลยเพินพ่น่างศาในพลามันมีอยู่ตำแน่งนว่านี่กันเอสมัตัวเข้าตายเขากับวเสือะ อ, อยู่ในหมือนลายมือน่แสนเนี่ยเศเทษที่ถมานั่มันมีอยู่ ในพระนพะไตรปิรกก็ม่อยู่ในพระเวสสันดนดรก็มีอยู่นเมือ่อตัวว่าพระศยมีต้งมาังสี่พุทธเดชเกิดจุ่นหพดเดกิดจนี้ของตัวอีกขมเขาว่วารัมาอย่างไร่นปานไหพระผู้ป็ น, น ป, น, ปนไโยมยังสีลงไปไ่นเป็นถามพามะระมาลัถามพุ่นแล้วศาสนาของพระโคตมมูมปฏิบัติตรกสลงไปา่น ยังอีกอักอโก็ใช่าะท่านย่ไปหระแม่ต้องสีมาลงลงมาก่อนลงมาเกิดกลัวสิไงเด้วกว่าทีเป็นสาวกลัวทีเป็นเท่าเป็นนางเน่กลั ว, วผู้นั้นเคยต้องเสีมาเกิดมาสุดปฏิสัตย์ทีนท่นทองแม่วางฉันนี่ยฉันดูซิบเนี่ยเจ้าพระองค์เจ้าห้ากร้า่มาแคพอสามเดือนมมนุษย์โลกเขาายย้าไปถังางว้าหซิบ ปีในมนุษย์โลกจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งแน่สั้นจาตูมรลอยมือลอยขึ้นในสั้นจาตูมจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึงแนสั้นดาวดึงเดือนคุณเดือนปีคุณปีอย่นั้นเหรออยมือรลอยขึ้นในสั้นดาวดึงจึงเป็นวันหนึ่คืนหนึ่งแนสั้นดุสิตเดือนคุณเดือนปีคุณปีอย้างนั้นเหอ ลอยมือลอยขึ้นในสันล้วสิจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึงในในสันนิม่านวตฏรลอยมือลอยขึ้นในสันนิมานวตฏจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในปณนนี้เมตาวาสนาปฏิอยมือลอยขึ้นในปนปนี้ปณนี้เมตสาวาติจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในพวมันป็ศรัทธาตาวติงสา伽มา ตาวสิงสายา마ดูสินิมาณวัตติตอนนีมีแต่วัติตนนี้มาตาวสิงสาอยาูมหาณิจิกามาูมหาณาจิกาตาวสิงสายาดูสินมาวัตติตอนนี้มีแต่วัตสัตตีนี่ตอนหสันนี่ตหสันพวกพมนเป็นสัทธาครับนี่พวกจรลดชาติไพวกนี่ ในสั้นใน้นสั้นปฐมมาสั้นสามัญไปเกินพมรรคปสัทธาในสั้นในปฐมมา้นอย่างกลางไปเกิดพุทธปโรหิตาในปฐมาสั้นอย่างละเอียดไปเกินสั้นปฤตตาผารุษาภะโบรหาตาโว้ยพุทธมรรคชาติพุมปโรหิตามหาพุมธม้าไหมไปเกิดมหาพุมา ส้าชั้นที่สองนี่ในยางสามัญไปเกิดชั้นปฏิสาภาพาในย่างกลางส้างชั้นที่สองในย่างกลางไปเกิดชั้นอัปมานะภาพาในย่างละเอียดไปมัสอะไรพุทธิศาสยางละเอียดไปเกิดอาภัสรา ในสติสัานย่างสามัญเกิดชันปริตาาาในย่างกลางไปประมาณหนาา้าผ้าอย่างในยางละเอียดไปปริตัสุภาในะตุสั้นย่างสามันวาประมาณตาติงตาอย่างนั้น พ่อมาอาอาสัก้าพ่อมาลงตามาพ่มาบริตตาพระอาปมาาพระอภัสราบริตตาสภาอปมาสภาสุภกินนาคาสรสางสร้างสุภกินนาคาพวกพวกพโดยตัดที่จะสร้างสนละอีกนี่มันพวกอะไรสันปณิทอันยสัาเวหาภาละจะตุศชาตินี่มันนะส่วนอาไว้หาทัพพาสุนสาุนทเสียกนี่ตการมัน ของพระหน้าพระเมรุรองสันฆามพันธ์เนพระนิพพานเอาไปหาอัตปาทุตจาทุตสติอัคนิสกาฝากอันไปทั้งนั้นพระนิพพานมีอายุโ ย, ยร้ายเคลืเบึงอนานาดาบุรอุตสกาดาบุตรม า, าบนะุตะนอกศ า, ศ า, ศาสนาทม โ ล, โลกีสร้างโลกีสัมพี่ขหน้าเนี่ว่าสัญญาหนา้าสัญญาเกษตรเป็นผู้มีเป็นผู้มีสัญญาเขไม่ใช่เป็นผู้มันมีสัญญาก็าไม่ใช่เป็นไทยเขาว่าเป็นผู้มีความจำเขาไม่ใช่เป็นผู้มันมีความจําก็ไม่ใช่น้ำย่าหันพี่นาย่หันเราได้จ่ายข้าหันกันได้ไปเกิดในอนุพรพมพ่อมีรูมิเตเมเวทนาสัญญาสั้งขาทวิญญาณ ลูกผมนี่อายุยืนแปดมื่นสี่พันกับไปแปดหมื่ีพันกัปส <te am> ีไ <continuous> ม <noise> <te> ่พระพุทธเจ้าจักพระองค์เัิดนับก็ได้แล้วกับนึงก็าม่พระพุทธเจ้าหาพระองค์ว่าสามพระองค์เขาไม่สี่พระองค์เขาไม่ห้าองค์เขาม่8ปดหมื่ีพันกัปสิพระพุทธเจ้าจักพระองค์เถิดเอานับเป็นปีในเมื่องคนเฮาเนี่ยมันจะทท้ายปีถึงปานังขยตอำนาจนจังยังมาเกิดแก่เก็บตายยังมาตาสมสารอีก้ เนี่ยโมมันทาปไปสู้พนิพาเนี่ครับนักนักนักนักเหตุแห่สัน่นผู้ปรารถนาพันิพานชนะความปรารถนาพัด น, นัเอาาบอกให้ไนพริวะยังไงวามาช้าไ่เมื่อไรได้บันี้พระเข้า อ, อย่ะงไรงอนไดโตผู้เดียวมือหย อ๋อนั่งกนอ่ายอันว น, นคือผัดแงาเงเง้ยอยู่รูุมรุ่มห่วยไปตัว ก, ก๋วยทอดคิตเี้ทอกผู้เฒ่าทอกตมุแล้ ว, วก็ผู้ค้าเขาไม่ได้สร้างอันหนึ่งก็เ น, น, น, นี่นี่สร้างแล้วฟักคิตตี้แตกไง สัที่หนึ่งคือพระสรรมาสันปทาเจ้าของเฮ้าทั้งหลายอันหาประมาณมาไม่ได้พระมหาเทระสันที่สองคือพระปฏิเจต์ทั้งหลายหาประมาณมาได้มีมากมหม้รายลดมหาเทระสันที่สามคือพระนันตาชีน้าศพอันหาประมาณมาไม่ได้มีมากหล า, ายลดมหาเทระสันที่สีคือพระอานาคน า, ามี อันหาประมาณไม่มได้อีกคือกันไม่หลายหาเทระสันทิหาคือพระสกทาข้ามีอันหาประมาณไม่มได้อีกคือกันไม่มากหลายหาเทระสันทิหกคือพระโสุวรรณหาประมาณไม่มได้ไม่มากหลายนับทังพระเจ้าองค์ดครมาตลอดถึงที่มาในทางนั้นถึงที่กําลังเป็นอยู่เบื่อว่าเข้าทิดพระมหาเทระทั้งหลายเราเนี่ โดยกาย ก, รรมมากับคสามกับจีคมชีมโนคมสามอันนี้นอันหนึ่งก็ดีมาใน่ไหพกรศาสตรกรก็ดีวัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหนากอดีโดยเดชพระมหาเทระทั้งหลายเรานั้นอันทรงพระมหาคุณอันหาประมาณไม่ได้จ ง, งทรงอดโทษแกโมเห้าอยู่ทุกเงาไม่มีประมาณโดยทุกวิธีทา่าทุกทิศท่ายโมเห้าจงประสมตแต่ความถูกความเสื่ญเนี่บอกว่าพระพุทธศาสนาของมัสการพระพุทธเจ้า ยิ่งยิ่งขนไปกันถึงที่ชุดทุกหน่วยสอบอยู่ทุกเมืองวิเวประมาณนก็ขาเทินนี่ไมายกวาดมาธรรมหาเทราทั้งหลายนี่ณระวางต่อไปนี่อีกขั้นนี่มูฮ่าทั้งหลายทั้งที่มาในที่นี่ก็ดีหรือทัวทั้งไปโลกท่าก็ดีนับทั้งฟูกเกิดในขั้นในใครในเขาในใครและเกิดพึ่ขึ้นทุกต่อหนาทศตั้งไตโลกทาาท่องที่เอามาในวัตตาท้องขาในี่ถ้าว่าทั้งพลิกกันด้วยกายและคำสามเมื่อกี้คำทีมโนคำสามอันใดอันหนึ่งก็ดีมูฮาทั้งหลายทั่วร์ตั้ง จงตาไฟตาให้อโหที่กั่แก่กันและกันอยู่ตรงมาบ่มีประมาณจงไดรับส่วนกุศลผลบุญของกันและกันทุกส่วนไหนตรงมาบ่มีประมาณจงเป็นมีเป็นสหายปฏิการสัมเวนสัมพริขึ้นกันและกันตรงมาบ่มีประมาณตราเท่าเขาทูบไม่าด้พลคนจากทูนวันต้องสารตามข้อประสงค์ของตนของตนทุกสวนหนาอยู่บมืออยู่ตรงมาบ่มีประมาณก็ขาดเทอนอาหั่นตรงแห่ให้ไปเมมมีตบาง เอวังโอตุเอวังโอตุโยชาภูเบรมัสิตตจาระนะมาสติโสวังโลกังมปพาสติอภตยัติะัะปังกตังกมงเรนะปิติโสังโกัมปาิอภตัญติวะอภิวาทานิสีนิจังทาปาโนยัตตารรมาวัันติอายุวันโนสุขังภะรัง ไว้ครอบกันท่องเทีมันง right? ไว้ครอบกันแะท่องมันงแม่ไว้ไหมมันม elle, าแจ like ้งไหมหลักยึดนำรถผู้มาเพื่อท่องเที่อบกันนะทหารยานหมดนี่ฮะตำรวจเอาหน่อยโอ้แจ้งตารวจลุงแนวนี้เดี๋ยน่อยเดี๋ยวน่อยเนาะฮะเอออ นํำขบวนมานรำขบวนมาเพราะพ่อแม่ลูกคนทารลูกคนทาง